งานหนังสือปฏิปฏิวิพัฒน์หนึ่งในหบทความเป็นทรงคุณค่าจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2475ก่อนที่ภายหลังจะถูกนําไปพิมพ์ในชื่อว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติโดยระบุว่าเป็นการสนทนาธรรมของหลวงปู่มัน่นปุริทัตโตเป็นบทความธรรมะที่รวมหลักสําคัญในทางปริยัตและแนวปฏิบัติไว้อย่างประณีตลุ่มลึกแสดงถึงความแตกฉานในธรรมของผู้เรียบเรียง จนได้รับการยกย่องจากพระกรรมฐานและผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกหลายท่านว่าเป็นหนังสือที่ควรแก่การศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งซึ่งภายหลังมีการพิสูจน์ชัดจากหลักฐานหลายอย่างว่าเป็นบทความที่แต่งโดยคุณหญิงดำรงธรรมสารใหญ่วิเศษสิริซึ่งภายหลังได้บวชเป็นแม่ชีจนถึงบั้นปลายชีวิตนับเป็นที่น่าเสียดายพอสมควรด้วยหนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมมายาวนานหลายสิบปี ก็เพราะคนเชื่อและศรัทธาในหลวงปู่มั่นทําให้เปิดใจศึกษาน้อมใจนําไปปฏิบัติตามได้ง่ายแต่พอถูกเผยแพร่ในชื่อคุณหญิงดํารงธรรมศารหรือแม่ชีคุณหญิงใหญ่ก็ทําให้ความสนใจน้อยลงอย่างมากทั้งที่เนื้อหาในหนังสือ น, นั้นเป็นประโยชน์อย่างมากและยากจะหาใครเรียบเรียงธรรมะในระดับสูงมาให้ศึกษาได้ง่ายขึ้นในแบบประชับครบถ้วนเท่านี้มาก่อนจนท่านได้รับการชื่นชมจากทั้งผู้แตกฉา้ในฝ่ายปริยัตและฝ่ายปฏิบัติต วาเป็นเพชรน้าเอกของสตรีในสมัยกึ่งพุท ธ, ธากาลซึ่งไม่ใช่ยอมรับในหมู่พระกรรมฐานฝ่ายพระป่าเท่านั้นบทความหนึ่งของท่านก็ยังเคยถูกนําไปตีพิมพ์ในนิตยสาราของส่วนโมกขณะที่ท่านพุทธทาสยังมีชีวิตอยู่นะครับจํารงผลดีเห็นความสําคัญอย่างยิ่งในบทความทั้งหมดของแม่ชีคุณหญิงใหญ่จึงได้จัดทําเป็นเสียงอ่านเพื่อสืบต่อมรดกธรรมอลําม่านี้ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปทั้งนี้ได้จัดทํามาแล้วสี่ชุด ชุดนี้เป็นชุดที่ห้าซึ่งเป็นชุดสุดท้ายและมีเนื้อหาอันทรงคุณค่ายิ่งท่านผู้สนใจในธรรมไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับควรได้ฟังได้ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดให้ครบตั้งแต่ชุดแรกเนื้อหาในบางตอนนั้นอาจจะค่อนข้างลึกพอสมควรเราเป็นเสมือนรวมแก่นธรรมที่สําคัญที่เน้นไปในด้านการปฏิบัติซึ่งอาจต้องมีพื้นฐานผ่านการปฏิบัติมาบ้างจึงจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การฟังซ้ําไปซ้ํามา หรือมีโอกาสกลับมาฟังใหม่ตามสมควรจะช่วยให้ข้อสงสัยหลายอย่างกระจ่างชัดขึ้นและจะช่วยให้ท่านเข้าใจบางแง่มุมได้ลึกซึ้งขึ้นไปตามลําดับตัวอย่างเนื้อหาในชุดนี้ประกอบด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรยัยความยินดีในที่สงัดกายวิเวกจิตตาวิเวกและอุปธิวิเวกความสงัดจากกามการละอาสวะกุศลที่พ้นจัตเจตนากระบวนวิธีแห่งอริยมรรคการพิจารณาธาตุหก จินตามยะปัญญากับความคิดที่ปิดความเห็นปัญญาวิชาญาณสามต่างกันอย่างไรสามิสุขกับยิรามิสุขทำอย่างไรจะเลิกเพ่งโทษผู้อื่นความต่างในสติปัฏฐานของกัลยาณชนกับพระเสขะและพระอเสขะความเห็นผิดทิดฐานุสัยกิดถิวิปลาดการใส่ใจเว้ข้างเกิดไม่ใส่ใจไว้ข้างดับในท่านหก ทำอย่างไรจึงมีสัมมาทิฏฐิจะเป็นผู้คลายกิเลสการทำใจให้สงบจันนิวรทํทำไมจึงยากนักนิพพานศูนย์หรือไม่ศูนย์อย่างไรและปิดท้ายด้วยอริยวาสธรรมสิบประการอ่านโดยอริยคุณชุมลมผดีจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยนุชนันปริสดาธิวุตขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสัพพทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเผยพระชาส่งต่อได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นและห้ามตัดต่อแก้ไขก่อนได้รับอนุญาตขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ